นิเทศหนึ่งเอกปุคละบัญญัติ 1. บุคคลผู้เป็นสมัยวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกแปดด้วยกายทุกการทุกสมัยและอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมัยวิมุตตะ 2. บุคคลผู้เป็นอสมัมยวิมุตตะเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกแปกด้วยกายทุกการทุกสมัยแต่อาสะวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอสมัมยวิมุตตะแม้พระอริยบุคคลทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอสมัมยวิมุตตะในอริยวิโมกษส บุคคลผู้เป็นกุปปธรรมเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัตมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอารูปเป็นอารมณ์แต่บุคคลนั้นมิใช่ได้ตามที่ต้องการมิใช่ได้โดยไม่ยากมิใช่ได้โดยไม่ลำบากมิใช่จะเข้าหรือออกจากสมาบัตได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัตที่ต้องการ ตามกําหนดเวลาที่ต้องการข้อที่สมาบัติเหล่านั้นจะพึงเสื่อมเพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกุปปธรรม 4. บุคคลผู้เป็นอกุปปธรรมเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์และบุคคล น, นั้น เป็นผู้ได้ตามที่ต้องการได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากจะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกําหนดเวลาที่ต้องการข้อที่สมาบัติเหล่านั้นจะพึงเสื่อมไปเพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้นนั่นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นอกุปธรรม รอริยบุคคลแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอกุปธรรมในอริยวิโมกข์หบุคคลผู้เป็นปริหานธรรมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์แต่บุคคลนั้นมิใช่ได้ตามที่ต้องการมิใช่ได้โดยไม่ยากมิใช่ได้โดยไม่ลำบาก มิใช่จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกําหนดเวลาที่ต้องการข้อที่บุคคล น, นั้นจะพึงเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นเพราะอาศัยความประมาทนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้บุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นปริหานธรรม 6. บุคคลผู้เป็นอปริหานธรรมนั้นเป็นฉไหน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 นั่นไม่ใช่ฐานะมิใช่โอกาสบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอปริหานธรรมพระอริยบุคคลแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอปริหานธรรมในอริยวิโมกข์เบุคคลผู้เป็นเจตนาพภะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ แต่บุคคล น, นั้นมิใช่จะได้ตามที่ต้องการมิใช่จะได้โดยไม่ยากมิใช่จะได้โดยไม่ลําบากมิใช่จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกําหนดเวลาที่ต้องการถ้าตามใส่ใจย่อมไม่เสื่อมจากสมาบัตเหล่านั้นถ้าไม่ตามใส่ใจย่อมเสื่อมจากสมาบัตเหล่านั้น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 ตามสมาบัติที่ต้องการตามกาหนดเวลาที่ต้องการถ้าตามรักษาย่อมไม่เสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นถ้าไม่ตามรักษาย่อมเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอนุรักษณาพภะพก้าบุคคลผู้เป็นปุถุชนเป็นฉหนบุคคลใดยังละสังโยสมไม่ได้ และไม่ปฏิบัติเพื่อลสภาวธรร์เหล่านั้นบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นปุถุชน 10. บุคคลผู้เป็นโคตรภูเป็นฉไนการก้าวลงสู่อริยธรรมมีในลำดับแห่งสภาวธรรมเหล่าใดบุคคลผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นบุคค ล, รรล น, น, คค น, นี้เรียกว่าผู้เป็นโคตรภู 11. บุคคลผู้เป็นพยูปรต เป็นไนพระเสขะเจ็ดจำพวกและปุถุชนผู้มีศีลชื่อว่าผู้เป็นพยูปรตตพระอระหันต์ชื่อว่าผู้เป็นอัพยูปรตต 12. บุคคลผู้เป็นอภพภาคมณนะเป็นไนบุคคลผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นคือวิบากเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีันทะ มีปัญญาสามโง่เขลาไม่ควรยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้เป็นอภพพาคมะณะ 13. บุคคลผู้เป็นภพภพาคมะณะเป็นไฉนะบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นคือวิบากเป็นผู้มีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาไม่โง่เขลา ควรอย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้เป็นภพภะคามณะสิบบุคคลผู้เป็นนิยตะเป็นฉันบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมห้าจำพวกบุคคลผู้เป็นนิยตะมิชาทิติและพระอริยบุคคล8จํจำพวกชื่อว่าผู้เป็นนิยตะบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นอนิยตะ 1บิบห้าุคคลผู้เป็นปฏิปันนักเป็นไฉนะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรติสี่จำพวกชื่อว่าผู้เป็นปฏิปันนกะกบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผลสี่จำพวกชื่อว่าผู้เป็นพเลทิตะสิบหกบุคคลผู้เป็นสมศสีสีเป็นไฉนะ ความสิ้นอาสะวะและความสิ้นชีวิตของบุคคลใดไม่ก่อนไม่หลังบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมศสีสี 17. บบุคคลผู้เป็นทิตกับปรีเป็นไฉไนะบุคคลนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพันและเป็นเวลาที่กับถูกไฟไหม้กับไม่ถึงถูกไฟไหม้ ตราบเท่าที่บุคคลนี้ยังไม่ทาให้แจ้งโสดาปฏิผล์บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิตกกบปีบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแม้ทั้งหมดชื่อว่าผู้เป็นทิตตกบปี 18. บุคคลผู้เป็นอริยะเป็นไฉนะพระอริยบุคคล8จำพวกชื่อว่าผู้เป็นอริยะบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นอนัริยะ1บ บุคคลผู้เป็นเสขะเป็นฉไนบุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยมัคซีจำพวกบุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยผลสามจำพวกชื่อว่าผู้เป็นเสขะพระอรหันต์ชื่อว่าผู้เป็นอัเสขะบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นเนวเสขานาเสขายีสบบุคคลผู้เป็นเตวิชะเป็นฉไน บุคคลผู้ประกอบด้วยวิชาสาชื่อว่าผู้เป็นเตวิชะยีบบุคคลผู้เป็นชะพิญญะเป็นไนบุคคลผู้ประกอบด้วยอภิญญาหชื่อว่าผู้เป็นชลพิญญะ22บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน บรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจสี่นั้นและถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะยีบบุคคลผู้เป็นปัจเจ ก, กับพุทธเป็นไฉนะบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจสี่ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสะดับมาก่อนแต่ไม่บรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจสี่นั้น และไม่ถึงความชํานาญในทศพลยานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัจเจกพุทธะยี 24. บุคคลผู้เป็นอุปัตโตภาควิมุตตะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมก8ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นอุปัตโตภาควิมุตตะ 25. บหบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะเป็นฉไนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกแปดด้วยกายอยู่แต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตตะยีิบบุคคลผู้เป็นกายสขีเป็นฉไนะบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมก8ด้วยกายอยู่ และอาสวะทั้งหลายของเขายอมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสักยี่สิบเจ็บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปตะเป็นไฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันหนึ่ง สภาวะธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิฏฐิปั ต, ตะยี่บบุคคลผู้เป็นศัทธาวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุก นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งสภาวะธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เหมือนผู้ชื่อว่าทิฏฐิปัตะบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสทาวิมุตตะ 29. ิบบุคคลผู้เป็น ธรรมานุสาวรีเป็นไนปัญญินรียของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมร์อันมีปัญญาเป็นตัวนํามีปัญญาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นธรรมานุสาวรีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลชื่อว่าผู้เป็นธรรมานุสาวรี บุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นทิฏฐิปั ต, ตะ 30. บุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีเป็นฉไฉนสัตทินรีของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลมีประมาณยิ่งบุคคล น, นั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีศรัทธาเป็นตัวนามีศรัทธาเป็นประธานบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นศรัทธานุสารี บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลชื่อว่าผู้เป็นศัทธานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นศัทธาวิมุตต์สาิบเอ็บุคคลผู้เป็นสัตตกัตตุประมะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสําเร็จ สัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคล น, นั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกเจ็ดชาติแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นสัตักขตุประมะ 32. บุคคลผู้เป็นโกลังโกละเป็นไนะบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชนสามประการทิ่นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคล น, นั้นท่องเที่ยวไปสองหรือสาตระกูลแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นโกลังโกละ 33. บุคคลผู้เป็นเอกพีชีเป็นฉหนะบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชสามประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนั้นเกิดเป็นมนุษย์พบเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นเอกพีชี 34. บุคคลผู้เป็นสกทาคามีเป็นฉหนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชสามประการสิ้นไปและเพราะ ทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบางลงเป็นสกัาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสกัาคามี 35. บุคคลผู้เป็นอนาคามีเป็นฉนหะนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหาประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะ ปรินิพานในเทวโลกชั้นสุดท่าวาตนั้นไม่กลับมาจากพบนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอนาคามี36บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพายีเป็นไนะบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชตเบื้องต่ําทั้งห้าประการติ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพานในชั้นสุดท่าวาตนั้น ไม่กลับมาจากพบนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงในลำดับที่เกิดบ้างยังไม่ถึงถ้ำกลางประมาณอายุบ้างบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอันตระปรินิพพายี37บุคคลผู้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายีเป็นฉันบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะปรินิพานในชั้นสุทาวาดนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงก้าล่วงถามกลางประมาณอายุบ้างใกล้จะทำการกิริยาบ้างบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปหจจะปรินิพายี 38. บุคคลผู้เป็นอสังขาระปรินิพายีเป็นฉหน บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าประการติ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพานในชั้นสุดทาวาดนั้นไม่กลับมาจากพบนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอสังขาระปรินิพายี 39. บุคคลผู้เป็นสสังขาระปรินิพพายีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุดทาวาดนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยต้องใช้ความพยายามมาก เพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็น ส, สังขาระปรินิพพายี40บบุคคลผู้เป็นอุดทังโสโตโอคกนิธะคามีเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพานในชั้นสุทธาวาดนนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนั้นจุติจากอวิหาพบแล้วไปสู่ชั้นอัตาปาพจุติจากชั้นอัตาปาพแล้วไปสู่ชั้นสุทัศสาพบจุติจากชั้นสุทัศสาพแล้วไปสู่ชั้นสุทัศสีพบจุติจากชั้นสุทัศสีพบแล้วไปสู่ชั้นอากนิทธภพบยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นในชั้นอากนิทธพบ เพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าอุททังโสโตโากานิทคามี4 1บุคคลผู้เป็นโสดาบันและบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเป็นไฉนบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์สามชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผล บุคคลใดละสังโยชน์สมได้แล้วบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นโสดาบัน 42. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทํากามราคะและพยาบาทให้เบาบางชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามีผลบุคคลใดทํากามราคะและพยาบาทให้เบาบางบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นสกทาคามี 43บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละกามราคะและพยาบาทโดยไม่เหลือชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามีผลบุคคลใดละกามราคะและพยาบาทได้โดยไม่เหลือบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เป็นอนาคามี44บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจฉะ และอวิชชาโดยไม่เหลือชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลบุคคลใดละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาได้โดยไม่เหลือบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอรหันต์เอกนิเทศจบ 2. ทุกกะปุคละบัญญัต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 ความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าความโกรธบุคคลใดยังละความโกรธนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มักโกรธ 46. บุคคลผู้ผูกโกรธเป็นไนในข้อนั้นความผูกโกรธเป็นไนความโกรธในเบื้องต้นชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธ ความผูกโกรธกริยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธความไม่หยุดโกรธการตั้งความโกรธไว้การดํารงความโกรธไว้การโผลลงไปตามความโกรธการตามผูกความโกรธไว้การทําความโกรธให้มั่นนี้เรียกว่าความผูกโกรธบุคคลใดยังละความผูกโกรธนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ผูกโกรธ47 บุคคลผู้มักลบหลู่เป็นไนะในข้อนั้นความลบหลู่เป็นไนะความลบหลู่กริยาที่ลบหลู่ภาวะที่ลบหลู่ความดูหมิน่นการกระทำความดูหมิน่นนี้เรียกว่าความลบหลู่บุคคลใดยังละความลบหลู่นี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มักลบหลู่สีบุคคลผู้ตีเสมอเป็นไนะ ในข้อนั้นความตีเสมอเป็นไฉนความตีเสมอกริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอสภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดยนำเอาชัยชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาความแข่งดีความไม่ยอมสลักนี้เรียกว่าความตีเสมอบุคคลใดยังละความตีเสมอนี้ไม่ได้ บุคคล น, นี้เรียกว่าผู้ตีเสมอสบุคคลผู้มีความริษยาเป็นไฉนในข้อนั้นความริษยาเป็นไฉนความริษยากริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความเกลียดชังกริยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังในเมื่อผู้อื่นได้ลาบสการะความเคารพความนับถือการกราบไหวและการบูชา นี้เรียกว่าความริษยาบุคคลใดยังละความริษยานี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีความริษยา50บุคคลผู้มีความตรนีเป็นไนะในข้อนั้นความตรนีเป็นไนะความตรณีห้าอย่างคือ 1. ความตรณีที่อยู่ 2. ความตรนีตระกูล 3. ความตรณีลาบ สี่ความตรนีวันณะ 5. ความตรนีธรรมความตรนีกริยาที่ตรนีภาวะที่ตรนีความหวงแหนความเหนียวแน่นความปกปิดความมีจิตไม่เพื่อแพร่นี้เรียกว่าความตรนีบุคคลใดยังละความตรนีนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีความตรนีห1บบุคคลผู้โอ้อวดเป็นฉไหน ในข้อนั้นความโอ้อวดเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้โอ้อวดจัดความโอ้อวดกริยาที่โอ้อวดภาวะที่โอ้อวดภาวะที่แข็งกระด้างกริยาที่แข็งกระด้างการพูดเป็นเหลี่ยมคูกริยาที่พูดแอบอ้างนี้เรียกว่าความโอ้อวดบุคคลใดยังละความโอ้อวดนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้โอ้อวด ห2สบองบุคคลผู้มีมายาเป็นไหนในข้อนั้นมายาเป็นไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤต์กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพราะเหตุจะปกปิดทุจริตนั้นจึงตั้งความปรารถนาอันเลวทรามปรารถนาว่าใครๆอย่ารู้จักเราดําริว่าใครๆอย่ารู้จักเรา กล่าวว่าใครๆอย่ารู้จักเราพยายามทางกายว่าใครๆอย่ารู้จักเราความเจ้าเล่ห์ความเป็นคนเจ้าเล่ห์กิริยาที่หลอกให้หลงความหลอกลวงความโกงความกลบเกลื่อนความหลีกเลี่ยงความซ่อนความซ่อนบังความปิดบังความปกปิดการไม่ทําให้ชัดเจนการไม่ทําให้แจ่มแจ้ง การปิดบังนำพรางกิริยาที่เล็วตามเช่นนี้นี้เรียกว่ามายาบุคคลใดยังละมายานี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีมายา53บุคคลผู้ไม่มีหิบริเป็นฉนันในข้อนั้นความไม่มีหิริเป็นฉนันกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตที่ควรละอาย กิริยาที่ไม่ละอายต่อการประกอบสภาบธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าความไม่มีหิบริบุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีหิรินี้ชื่อว่าผู้ไม่มีหิริ 54. บุคคลผู้ไม่มีโอตตะปะเป็นฉไนะในข้อนั้นความไม่มีโอตตะปะเป็นฉไนะ กิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าความไม่มีโอตตะปะบุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีโอดตะปะนี้ชื่อว่าผู้ไม่มีโอตตะปะ55บบุคคลผู้ว่ายากเป็นไน ในข้อนั้นความเป็นผู้ว่ายากเป็นไนกริยาของผู้ว่ายากภาวะของผู้ว่ายากความเป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดขืนความพอใจการโต้แยง้งความไม่เอือเ้อเฟื้อภาวะแห่งผู้ไม่เอือเ้อเฟื้อความไม่เคารพและไม่รับฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบนี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่ายาก บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ว่ายากนี้ชื่อว่าผู้ว่ายากห้ 56. บุคคลผู้มีมิตรชั่วเป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้มีมิตรชั่วเป็นไฉนบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาทุศีลสดับามาน้อยมีความตระณีมีปัญญาสามการเสพการซ่องเสพการซ่องเสพด้วยดีการครบการครบหาความพักดี ความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรชั่วบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีมิตรชั่วนี้ชื่อว่าผู้มีมิตรชั่ว5้บุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉไนในข้อนั้นความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉ บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนศีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัตครอบงาได้ย่อมไม่ระวังจักขุนศีไม่ถึงความสํารวมในจักขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูก ริมรสทางลิ้นถูกต้องโพธพภะทางกายรู้ธรรมารมทางใจเป็นผู้รวบถือแยกถือย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอคุศสลธรรมทั้งหลายคืออภิชชาและโทมานัตครอบกำมได้ไม่ระวังจากขุนสีไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสี ความไม่คุ้มครองกริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมอินทรีย์ทั้ง6เหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทางทวารในอินทรีย์บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์นี้ชื่อว่าผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์าสบุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นฉนัน ในข้อนั้นความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นฉไนบุคคนบางคนในโลกนี้ไม่พิจารณาโดยแยกคายกลืนกินอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งความเป็นผู้ไม่สันโดษความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการพิจารณาและบริภโภคโภชนอาหารนั้น นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ชื่อว่าผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค59บุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นฉไหนในข้อนั้นความเป็นผู้มีสติหลงลืมเป็นฉไนความระลึกไม่ได้ความไม่ตามระลึก ความไม่หวนระลึกความระลึกไม่ได้อาการที่ระลึกไม่ได้ความทรงจำไม่ได้ความเลื่อนลอยความหลงลืมนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีสติหลงลืมบุคคลผู้ประกอบด้วยความมีสติหลงลืมนี้ชื่อว่าผู้มีสติหลงลืม60บบุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะเป็นไนในข้อนั้น ความไม่มีสัมปชัญญะเป็นไฉนความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่รู้แจ้งตลอดความไม่ถือเอาให้ถูกต้องความไม่ยั่งลงอย่างรอบคอบความไม่พินิษความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความไม่สามปัญญาความโง่เขลา ความไม่รู้ชัดความหลงความรุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาอวิชโชคะอวิชชายคะอวิชานุสัยปริยุทธานากิเลสคืออวิชชาริมคืออวิชชาอากุตรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าความไม่มีสัมปชัญญะ บุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีสัมปัชชัญญะนี้ชื่อว่าผู้ไม่มีสัมปัชัญญะ61บุคคลผู้มีศีลล้วิบัติเป็นฉนัยในข้อนั้นศีลวิบัติเป็นฉนัยการล่วงละเมิดทางกายการล่วงละเมิดทางวาจาการล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าศีลลววิบัติความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมด ชื่อว่าศีลวิบัติบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลวิบัตินี้ชื่อว่าผู้มีศีลวิบัติ 62. บุคคลผู้มีทิฐิวิบัติเป็นไนะในข้อนั้นทิฐิวิบัติเป็นไนะความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลคนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจง้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดรกชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นอันเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิที่เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยพลาดเคลื่อนนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐิวิบัติบุคคลผู้ประกอบทิฏฐิวิบัตินี้ชื่อว่าผู้มีทิฏฐิวิบัติ หกบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นฉไนบุคคลใดยังละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ในภา <im> ยใน64บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นฉไนบุคคลใดยังละสังโยชน์เบื้องสูงทั้ง5ประการไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ในภายนอกหก บุคคลผู้ไม่มักโกรธเป็นไนในข้อนั้นความโกรธเป็นไนความโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายกริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายความเกลี้ยวกราดความที่จิตไม่เบิกบาน นี้เรียกว่าความโกรธบุคคลใดละความโกรธนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มักโกรธ66บบุคคลผู้ไม่ผูกโกรธเป็นไนในข้อนั้นความผูกโกรธเป็นไนความโกรธในเบื้องต้นชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธความผูกโกรธกริยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธความไม่หยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว้การดำรงความโกรธไว้การโผลลงไปตามความโกรธการตามผูกความโกรธไว้การทําความโกรธให้มันนี้ เ, นเรียกว่าความผูกโกรธบุคคลใดละความผูกโกรธนี้ได้บุคคลนี้ เ, นเรียกว่าผู้ไม่ผูกโกรธ67 บ, บุคคลผู้ไม่ลบหลู่เป็นชไหนในข้อนั้นความลบหลู่เป็นชไหน ความลบหลู่กริยาที่ลบหลู่ภาวะที่ลบหลู่ความดูหมิ่นการกระทำความดูหมิ่นนี้เรียกว่าความลบหลู่บุคคลใดละความลบหลู่นี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ลบหลู่หบปุคคลผู้ไม่ตีเสมอเป็นไนในข้อนั้นความตีเสมอเป็นไงความตีเสมอกริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอ สภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดยการนำเอาชัยชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาสความแข่งดีความไม่ยอมสละนี้เรียกว่าความตีเสมอบุคคลใดละความตีเสมอนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ตีเสมอหกิบบุคคลผู้ไม่มีความริษยาเป็นไฉนในข้อนั้นความริษยาเป็นไฉน ความริษยากริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความเกลียดชังกริ ย, ยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังในเมื่อผู้อื่นได้ลาบสการะความเคารพความนับถือการกราบไหวและการบูชานี้เรียกว่าความริษยาบุคคลใดละความริษยานี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีความริษยาเจิ บุคคลผู้ไม่มีความตรรณีเป็นไฉนในข้อนั้นความตรรณีเป็นไฉนความตรรณีห้าอย่างคือ 1. ความตรรณีที่อยู่ 2. ความตรรณีตระกูล 3. ความตรรณีลาภสความตรรณีวันณะ 5. ความตรรณีทมความตรรณีกริยาที่ตรรณีความที่ตรรณีภาวะที่ตรรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นความปกปิด ควา ม, มีจิตไม่เผื่อแผ่นี้เรียกว่าความตระนีบุคคลใดละความตระณีนี้ได้บุคคล น, นี้เรียกว่าผู้ไม่มีความตรณีเจ็ดบอบุคคลผู้ไม่โอ้อวดเป็นไฉนในข้อนั้นความโอ้อวดเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้โอ้อวดจัดความโอ้อวดกริยาที่โอ้อวดภาวะที่โอ้อวด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 เจบุคคลผู้มีหิริเป็นฉไนในข้อนั้นหิริเป็นฉไนกริยาที่ละอายต่อการประพฤติุจริตที่ควรละอายกิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าหิริบุคคลผู้ประกอบด้วยหิรินี้ชื่อว่าผู้มีหิริ74 บุคคลผู้มีโอตตะ ป, ปะเป็นไนะในข้อนั้นโอตตะ ป, ปะเป็นไนะกริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตที่ควรเกรงกลัวกริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าโอตตะ ป, ปะบุคคลผู้ประกอบด้วยโอตตะ ป, ปะนี้ชื่อว่าผู้มีโอตตะ ป, ปะ75บุคคลผู้ว่าง่ายเป็นไนะ ในข้อนั้นความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นไนกริยาของผู้ว่าง่ายภาวะของผู้ว่าง่ายความเป็นผู้ว่าง่ายความไม่ยึดถือข้างขัดขืนความพอใจในการไม่โต้แย้งความเอือ้อเฟื้อภาวะแห่งผู้เอือ้อเฟื้อความเคารพและรับฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบนี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่าง่าย บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายนี้ชื่อว่าผู้ว่าง่าย76บุคคลผู้มีมิตรดีเป็นฉนะันในข้อนั้นความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นฉนะันบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลสดับมามากมีความเสียสละมีปัญญาการเสพการซ่องเสพการซ่องเสพด้วยดีการครบการครบหา ความพักดีความจงรักพักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรดีบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีนี้ชื่อว่าผู้มีมิตร ด, ดี 77. บบุคคลผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสี่ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสครอบคำได้ย่อมระวังจักขุนสี่ถึงความสำรวมจักขุนสี่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูก ลิมรสทางลิ้นถูกต้องโพสะพระทางกายรู้ธรรมารมทางใจเป็นผู้ไม่รวบถือไม่แยกถือยอมปฏิบัติเพื่อสำรวมมณีสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมานัตครอบกำได้ยอมระวังมณทรียอมถึงความสำรวมในมณีสีความคุ้มครองกิริยาที่คุ้มครองการรักษา การสำรวมอินทรีย์ทั้งหกเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์นี้ชื่อว่าผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์78บบุคคลผู้รู้จักประมาณในการบริโภค เป็นไในข้อนั้นความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาโดยแยกขายแล้วกืนกินอาหารมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อความมัวเมามิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อยังชีวิตินทรียจให้เป็นไปเพื่อกาจัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์ พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจักกาจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่อย่างผาสุกจักมีแก่เราความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้รู้จักประมาณในการพิจารณาแล้วบริโภคในโภชนาหานั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ชื่อว่าผู้รู้จักประมาณในการบริโภค79บุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นฉไหนในข้อนั้นสติเป็นฉไหนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติ สตินีสติภะละสัมมาสติอันใดนี้เรียกว่าสติบุคคลผู้ประกอบด้วยสตินี้ชื่อว่าผู้มีสติตั้งมัน่น8ปิบบุคคลผู้มีสัมปชัญญะเป็นไฉนในข้อนั้นสัมปชัญญะเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกําหนดหมาย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 ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปัชชัญญะบุคคลผู้ประกอบด้วยสัมปัชัญญะนี้ชื่อว่าผู้มีสัมปัชชัญญะ81บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นไนในข้อนั้นความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นไน การไม่ล่วงละเมิดทางกายการไม่ล่วงละเมิดทางวาจาการไม่ล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความสมบูรณ์ด้วยศีลบุคคลผู้ประกอบด้วยความสมบูรณ์ด้วยศีลนี้ชื่อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 82. บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเป็นไฉนในข้อนั้นความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงมงงายความเลือกเฟ้นธ ร, รมสมมมาธิฏฐิเช่นนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเต้นถวงมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นมีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิบุคคลผู้ประกอบด้วยความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐินี้ชื่อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิแปิบสบุคคลผู้หาได้ยากในโลกสองจำพวกเป็นฉไนคือ ปุพภการีบุคคลและกะตัญยูกตเวทีบุคคลบุคคลสองจำพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลก 84. บุคคลผู้ให้อิ่มได้ยากในโลกสองจำพวกเป็นชนไหนคือบุคคลผู้เก็บสะสมสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้วและบุคคลผู้สละสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้ว บุคคลสองจำพวกเหล่านี้ชื่อว่าผู้ให้อิ่มได้ยาก85บุคคลผู้ให้อิ่มได้ง่ายสองจำพวกเป็นไนคือบุคคลผู้ไม่เก็บสะสมสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้วและบุคคลผู้ไม่สละสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้วบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ชื่อว่าผู้ให้อิ่มได้ง่าย86 อาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านั้นโยงเพิ่มพูนบุคคลผู้รังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจและบุคคลผู้ไม่รังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจอาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ย่อมเพิ่มพูน87อาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านั้น่อมไม่เพิ่มพูนบุคคลผู้ไม่รังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจ และบุคคลผู้รังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจอาตว่าของบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ย่อมไม่เพิ่มพูน88บุคคลผู้มีอัธยาศัยเลวเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามเขาย่อมเสพย่อมคบหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามบุคคลนี้ เรียกว่าผู้มีอัธยาศัยเลว89บุคคลผู้มีอัธยาศัยประณีตเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมันงามเขาย่อมเสพย่อมคบหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้มีศีลมีธรรมันงามบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีอัธยาศัยประณีต90ิ บุคคลผู้อิ่มแล้วเป็นฉไนพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกของพระตถาคตชื่อว่าผู้อิ่มแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าผู้อิ่มแล้วและทําคนอื่นให้อิ่มทุกกะนิเทศจบ